ตอนที่หนึสาบานด้วยชีวิตแม่ผมสุขภาพแข็งแรงดีอีกหลายปีก็คงยังไม่ตายหรอกครับเสียงของโจเจี้ยนเ ย, ย่ดังขึ้นกระทันหันหลิวเคอเคอร์สะดุง้งด้วยความรู้สึกผิดที่ถูกแอบฟังตอนพูดรับหลังเธอรีบอธิบายทันทีแม่ฉันไม่ได้หมายความแบบนั้นท่านแค่อธิบายอะไรกันฉันหมายความแบบนั้นแหละเมื่อแม่หลิวเห็นท่าทางต่ําต้อยของหลิวเคอเคอต่อหน้าโจเจี้ยน เ, ย, ย, เ ย, ย่เธอก็รู้สึกโกรธจัดขึ้นมาในใจโจเจี้ยนเ ย, ย่แม่ของเธอเน่ยมีชีวิตอยู่กับตายไปแล้วมันต่างกันตรงไหน แม่ตาหลานสาวตัวเองยังไม่รู้จักดูแลลูกสาวของฉันเพิ่งจะพ้นช่วงอยู่เดือนก็ต้องออกไปทำงานหาเงินเลี้ยงครอบครัวส่วนเธอที่เป็นผู้ชายแท้ๆกลับแบกรับหน้าที่เลี้ยงดูครอบครัวไม่ได้จะมีเธอไว้ทำประโยชน์อะไรคำพูดทุกคำของเธอล้วนออกมาจากใจจริงโจเจีนเ้นย้จะไม่อยากฟังก็เรื่องของเขาในเมื่อทำไม่ถูกแล้วจะห้ามไม่ให้คนอื่นพูดได้อย่างไรแม่พอเถอะคะหลิวเคอเคอไม่อยากให้พวกเขาต้องทะเลาะ ก, กันเพราะเรื่องเล็กน้อยแบบนี้มันไม่มีความจำเป็นเลย ชีวิตยิงคงต้องดําเนินต่อไปแบบถูไถยไปวันๆเช่นนี้เธออาปากจะพูดอะไรบางอย่างแต่โจเจี้ยนเย่ก็ขัดขึ้นอีกครั้งผมตั้งใจจะให้แม่มาช่วยดูแลลูกแต่เคอเคอไม่ยอมเองทําไมลูกสาวฉันถึงไม่ยอมในใจเธอก็รู้อยู่ไม่ใช่หรอเมื่อก่อนแม่ของเธอทํากับลูกสาวคนนั้นของเธอไว้ยังไงเคอเคอเขิงฉันเขากลัวว่าแม่เธอจะทําร้ายเด็กน่าสิแม่หลิวแค่นเสียงเย็นเธอประคองความรับผิดชอบไว้ไหมละ่ะกล้าสาบานตรงนี้หมว่าแม่เธอจะไม่ทําเรื่องทําร้ายเด็ก ถ้าม่เธอเกิดมีความคิดไม่ดีกับเด็กขึ้นมาขอให้เธอตายอย่างอนาถขอให้คนทั้งบ้านของเธอตายอย่างอนาถกันหมดแม่อย่าพูดเลยค่ะลิวเคยเคลืนน้าลายลงคอยอย่างยากลําบากเธอเหลือบมองโจวเจี้ยนเยี่ยด้วยสีหน้าไม่สู้ดีนะักเห็นว่าความสัมพันธ์ของทั้งคู่เพิ่งจะเริ่มดีขึ้นบ้างจึงไม่อยากให้เกิดสงครามเย็นขึ้นอีกเรื่องของเราสองคนกลับไปค่อยคุยกันเถอคะค่ะโจเจี้ยนเยี่ยปลายตา ม, มองแม่ยายด้วยสายตายเย็นชาเขาไม่ได้พูดอะไรกับเธออึมได้ หลิวเคอเคออุ้มลูกเตรมจะเดินจากไปแต่แม่หลิวคว้าแขนเธอไว้มองลูกสาวด้วยสายตาที่เจ็บใจที่ลูกสาวไม่รักดีแกจะไปกลัวอะไรอย่างมากก็แค่ย่ายอมลดตัวลงให้เขาสำแล้วสำเล่าแบบนี้ชีวิตมันจะมีอะไรดีขึ้นมาตอนนี้แกยังสาวอยู่ถึงตอนนั้นก็แค่โยนเด็กให้เขาไปแกอยากจะหาผู้ชายแบบไหนก็หาได้ทั้งนั้นแม่ขนูรู้แล้วค่ะหลิวเคอเคอเดินตามโจเจี้ยนเยี่ยกลับไปเดือนหน้าก็ใกล้จะถึงเวลาจ่ายค่าเชาวบ้านอีกครั้งซึ่งค่าชาวบ้านนี้ต้องจ่ายรวบยอดทีเดียวทั้งปี เงินในมือของโจเจียนเย่ยมีพอดีแปะ๊ะหนิวซูเฟินเพิ่งจะทําอาหารเสร็จเมื่อเห็นหลิวเคอรเคอก็พูดจานเหน็บแนมทันทีจมูกของพวกแกแม่ลูกนี่มันไวดีจริงๆนะได้กลิ่นอาหารแล้วก็รีบแจ้นมาเลยละสิแม่ครับที่นี่คือบ้านของเธอเธออยากจะกลับมาเมื่อไหร่ก็ได้โจเจียนเย่ยพูดปกป้องหลิวเคอเคออย่างที่ไม่เคยเป็นมาก่อนคําพูดคําจาของเขาล้วนแสดงออกว่าเข้าข้างหลิวเคอรเคออย่างชัดเจน หนิวซูเฟินอ้าปากค้างแต่ก็หุบลงเธอเห็นว่าลูกชายดูท่าทางไม่ค่อยพอใจนักจึงไม่ได้พูดอะไรต่อก็ได้ฉันมันคนพูดผิดอีกแล้วสินะแม่ครับต่อไปแม่ต้องอยู่บ้านดูแลนานๆโจเจีนเ้นี้เอ่ยด้วยน้ําเสียงทุ่งต่ําถ้าแม่ไม่เต็มใจจะดูแลก็กลับบ้านเดิมไปซะแล้วไม่ต้องมาที่นี่อีกหนิวซูเฟินเข้าใจดีว่าสิ่งที่ควรจะมาถึงอย่างไรก็เลี่ยนไม่ได้นางผู้หญิงแทสยาคนนี้ไม่รู้ว่าแอบไปเป่าหูอะไรลูกชายรับหลังบ้าง เธอตอบรับอย่างไม่เต็มใจก็ได้แต่ฉันขอพูดไว้ก่อนนะถ้าเด็กเกิดหกล้มหรือมีรอยขีดข่วนอะไรพวกแกก็ห้ามมาโทษฉันงานในบ้านยังมีให้ทําอีกตั้งเยอะๆฉันคงดูแลเด็กให้ทั่วถึงตลอดเวลาไม่ได้หรอกไม่ได้นะคะหลิวเคอเ ค, อ, เคอได้ยินแบบนั้นก็ร้อนใจขึ้นมาทันทีนี่มันจงใจปัดความรับผิดชอบชัดๆตอนที่แม่ของเธอช่วยดูแลลูกแม้ปากจะบอกว่าไม่เต็มใจแต่ก็ไม่เคยปล่อยให้ลูกได้รับบาดเจ็บเลยแม้แต่นิดเดียวต่อให้จะมีการกระทบกระทั่งบ้างก็ไม่เคยรุนแรง หลิวเครอรเคอเรียกร้องว่าการดูแลลูกคือเรื่องหลักส่วนงานบ้านพวกนั้นเป็นเรื่องรองค่ะตอนนั้นฉันเลี้ยงลูกสองคนมาตัวคนเดียวก็ยังผ่านมาได้ถ้าลูกสาวแกมันจะบอกบางขนาดนั้นแกก็เลี้ยงเองเถอะถ้าฉันเลี้ยงลูกแล้วใครจะออกไปหาเงินคะคุณแม่เหรอหลิวเคอเคอโต้กลับหาเงินได้แล้วมันวิเศษนักหรือไงตอนแรกถ้าไม่ใช่เพราะเห็นว่าแกเป็นนักก่าวมีเงินเดือนสูงกว่าลูกชายฉันฉันก็คงไม่ชายตามองแกหรอกนิวซูเฟินเบะ ป, ปากด้วยความรังเกียจ คนสุดท้ายตอนนี้เงินเดือนก็น้อยนิดพวกเราทั้งบ้านถูกแกหล อ, อกเข้าให้แล้วคุณหลิวเคอเคอโกรธจนตัวสั่นถ้าให้หนิวซูเฟินเลี้ยงลูกเธอคงได้ออกแตกตายเข้าสักวันเธอยอมเสียเงินให้แม่ตัวเองเลี้ยงเสียยังดีกว่าแต่ตอนนี้แม่ของเธอก็ลําบากมากแล้วเธอจึงทําใจไม่ลงแม่ต้องดูแลลูกให้ดีโจเจี้เยตะเค้าขัดการโตเถียงของทั้งคู่เขามองหนิวซูเฟินด้วยสายตากโกรธจัดถ้าแม่ดูแลลูกไม่ดีก็เตรียมตัวใส่หัวกลับบ้านเดิมไปได้เลย หากเป็นเมื่อก่อนหนิวซูเฟินคงอัลวาไปแล้วแต่ตอนนี้เธอไม่กล้าเมื่อก่อนเธอก็แค่ถือดีว่าลูกชายเข้าข้างเธอเสมอแต่ตอนนี้เพราะเรื่องของหลีหวานและลูกความสัมพันธ์ระหว่างแม่ลูกจึงเกิดปัญหาขึ้นอืมรู้แล้วผมขอสาบานตรงนี้เลยถ้าแม่ดูแลลูกไม่ดีขอให้พวกเราทั้งครอบครัวตายอย่างอนาถโจจี้นเย่จงใจพูดให้หนิวซูเฟินฟังหนิวซูเฟินอยากจะห้ามแต่ก็ห้าไม่ทันเธอโกรธจนตกขาตัวเองฉาดใหญ่พูดจะเหลวไหลอะไรกัน รีบถมน้ําลายทิ้งเดี๋ยวนี้เลยนะนี่ไม่ใช่เรื่องเลวหลายครับถ้าแม่ดูแลลูกได้ดีสิ่งที่ผมพูดไปก็จะไม่เป็นจริงนิวซูเฟินเข้าใจแล้วลูกชายกําลังหาทางจัดการเธอนี่เองอุตซาห์แต่งลูกสะใภ้เข้ามาพระนึกว่าจะได้ลืมตาอาปากเป็นใหญ่ในบ้านเสียทีใครจะไปนึกว่าเห้อนิวซูเฟินไม่รู้ว่าตัวเองไปทํากรรมอะไรไว้เธอได้แต่ถอนหายใจซ้ําๆลูกสะใภ้คนนี้ควบคุมยากกว่าหลีหวานมากนักเธอเริ่มเสียใจแล้ว ถ้าเธอไม่หาเรื่องใส่ตัวเสียตั้งแต่แรกเธอก็ค ง, งมีอำนาจตัดสินใจในบ้านหลังนี้และหลี่หวานก็คงจะคอยฟังคำสั่งของเธออย่างว่าง่ายแต่น่าเสียดายที่ตอนนี้ทุกอย่างสูญสิ้นไปหมดแล้วเมื่อหันไปมองหลิวเคอเคอที่ดูท่าทางลำพองใจหนิวซูเฟินก็ถลึงตาใส่ด้วยความอาฆาตนังแพทยสยาปล่อยให้หล่อนได้ใจไปก่อนเธออีกหน่อยถ้าลูกชายเจอคนที่เหมาะสมกว่าเมื่อไหร่ไม่ว่ายังไงเธอก็ต้องเคลียร์หลิวเคอเคอร์อทิ้งให้ได้ ตามหลักแล้วช่วงไม่กี่วันที่คะแนนเกาขาวออกควรจะเป็นช่วงเวลาที่ผ่อนคลายที่สุดในบ้านแต่เนื่องจากการมาเยือนอย่างกระทันหันของคนตระกูลหยวนทาให้บรรยากาศในบ้านเปลี่ยนไปทันทีเจ้าชุนฮวาเป็นคนที่ไม่สบายใจที่สุดไม่ว่าเธอจะทำอะไรก็ดูไร้เรี่ยวแรงและเศร้าหมองหากเป็นเช่นนี้ต่อไปคนที่จะล้มป่วยก่อนใครเพื่อนก็คือเธอ เจ้งางวิญชงเรียกเศร้าเหิงมาคุยและเล่าสถานการณ์ทั้งหมดให้ฟังพร้อมทั้งอธิบายว่าตอนนั้นพ่อแม่ผู้ให้กําเนิดไม่ได้ตั้งใจจะทอดทิ้งเขาแต่เป็นเพราะครอ บ, ค ร, บครัวกำลังเผชิญกับความยากลําบากจึงไม่มีปัญญาจะปกป้องเขาได้จริงๆและถ้าคนที่เก็บผมไปเป็นพวกค้ามนุษย์ล่ะครับถ้าไม่ใช่พ่อกับแม่ละ่ะเจ้งเศร้าเหิงเอ่ยด้วยน้าเสียงเย็นชาตอนนี้พวกเขารู้จักกลับมาตามหาผมแล้วเพราะมีปัญญาปกป้องผมได้แล้วงั้นเหรอตามที่พวกเขาบอกมาก็เป็นเช่นนั้นเจ้างวิญชงพยักหน้าด้วยสีหน้าเคร่งขรึม พวกเขาไม่ได้ทิ้งลูกไปส่งส่งโดยไม่สนใจที่ตามหาจนเจอเรือขนาดนี้ก็เพราะตอนนั้นทิ้งเบาะแสะเอาไว้และรู้ว่าลูกถูกครอบครัวเรารับไปเลี้ยงมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ไม่เลวเจ้งเศร้าเหงิงนิ่งเงียบไม่พูดอะไรเศร้าเหิงบอกพ่อหน่อยได้ไหมว่าลูกคิดยังไงลูกเป็นเด็กที่นิสัยค่อนข้างเก็บตัวมาตั้งแต่เด็กชอบเก็บทุกอย่างไว้ในใจหากเป็นเช่นนี้ต่อไปนานๆลูกต้องอึดอัดจนแย่แน่ๆมีอะไรก็พูดออกมาจะดีกว่า